คุณเป็นสีเคลิ้มไปแล้วอ่อนไปคุณหมอหลงไปแล้วเอาเบอร์ห้าสิบเจ็ดมาจากไหนเล้าเคยฝึกมาจากไหนล่ะปวลูกศิษย์จันทองดูฟองยุบดูไปไปดูแล้วให้มันเกิดสติตัวจริงอย่าไปเพ่งเอา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 อย่างเนี้ของปลอ ม, มน้้นๆไะจะได้แต่สมถะแล้วไม่มีวิปัสนาละเพราะวิปัสนาให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นน่ะพอดูตามที่มันเป็นไเรื่ยจะเห็นใจรักถ้าเรารวบมาไว้เนี่ยเราจะเห็นทุกอื่ทุกสิ่งทุกอย่างข้างนอกอเป็นไจรักยกเว้นจิตจะเห็นว่าจิตนิ่งๆจะนิ่งลูกเดียวเลยงั้นฝึกมากๆเข้าของอื่นเป็นไจรักยกเว้นจิตจิตเที่ยง อันนี้เป็นมิจฉาทิฐิเหมือนกันแล้วจริงๆจิตก็ตกอยู่ใต้ไสรลักษเราไปเห็นว่าเที่ยงที่เห็นว่าเที่ยงเพราะเราไปควบคุมไว้เป็นนพวกที่เล่นชาญเ่นอะไนเนี่ยพวกเพ่งเก่งๆมักจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาถึสุดท้ายอะพวกหรือสี่ชีพไรก็เลยรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเวลาตายอัตตานี้ก็รวมกับพระเจ้ารวมกับบรมอัตตาปรมาตมันไปอยู่ในพรมโลก ไม่นิพพานนะเวละเรื่องอีอย่างนึ็นการเพ่งรูปถ้าเพ่งถึงขีดสุดแล้วไม่ชอบนามนะจะเข้ า, าสัน ญ, ญีจิตจดับตรงที่จิต ด, ดับเนี่ยบางคนไปคิดว่าเป็นการเข้าถึงมรค น, นิพพานคิดว่ามรค น, นิพพานไม่มีจิตแต่จริงเวลาเกิดมรกมีจิตชื่อมร์จิตเวลาเกิดผลมีจิตเรียก ว, ว่าผลจิตไม่มีจิตตลอด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 เราไม่ห้ามแต่เราจะดูจนเราเห็นความจริงเลยมันแอบทํางานของมันได้ทั้งวันเนี่ยไปอีกแล้วห้ามมันไม่ได้ไม่ได้ฝึกห้ามจะต่างกับการที่เรากําหนดนะถ้ากําหนดนั่นคือการควบคุไมไว้การห้ามไว้งรานในพระไตรปิฎกไม่ได้แปลสติว่ากําหนดเลยกําหนดนี้อาจารย์ชั้นหลังมาตั้งกันที่นองในอรตถกาษาสอนว่ากําหนดน่ะผิดด้วยซ้ํำไปสติจริงๆเป็นความระลึกได้เี่ยระลึกได้ไหมจิตหนีแวบบแวบบแวบบเป็นระยะ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 ไม่พอดีนะถ้าพอดีจริงๆเดี๋ยวมาร์กก็เกิดแล้วเพราะ้นเรียนที่ผิดนะเมื่อไหร่ไม่ผิดมันนั้นถูกอย่าพยายามหาที่ถูกแล้วแค่อยากจะหาสิ่งที่ถูกก็ผิดเรียบร้อยละแล้วโลภะเกิดละสติจะไม่เกิดเลยงั้นอย่างเราจงใจกําหนดเรื่อยๆสติจะไม่เกิดนะเกิดไม่ได้เลยเพราะโลภะมันเกืออยู่สติจะเกิดร่วมกับอกุศลไม่ได้ใจลอยไปแล้วทราบไหมถัดอย่างนี้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 อาวคุณนีดีแล้วรู้สึกเลยเลยใจมันอ่อนแอไปนิดหนึ่งดูออกไหมอ่อนแอลงนิดหนึง่งรู้ทันมันอ่ามันป้อแป้ไปนิดหนึ่งใจมันป้อแป้ไปนิดหนึ่งนะรู้ตัวมันไม่เต็มที่ป้อแป้ไปนิดหนึ่งค่อยๆรู้สึกไปนะหัดรู้สภาวะ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 ้าจิตมันมีโมหะนะเดี๋ยวนั่งไปก่อนอคนต่อไปน่นะมันต่อรู้สามนรมันอะไรนะธรรมดานะใจมันไม่รักดีธรรมดานะใจมันไม่รักดี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 อยู่มีสันติสุขอยู่นย้นแต่จิตของคนที่ยังไม่แจ้งในธรรมะกระทบอารมณ์แล้วก็เพื่อมหวั่นไหวให้รู้ทันมันให้รู้ทันความกระเพื่อมหวั่นไหวก็ดีนี่เนาะเอออย่าฆ่านะผมพอเคยเห็นคนเป็นฆาตตัวตาย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 เหตุของสติคือเราจําสภาวะได้เพราะฉะนั้นหัดรู้สภาวะใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมนี่หัดรู้อย่างนี้นะอย่อยู่ๆก็อะไรละรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไวไ้อย่างนี้ไม่รู้สึกหรอกหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองอีกแว บ, บหนึ่งนะให้คอยรู้สึกบ่อยๆอย่าพยายามทําสิ่งที่ถูกนะให้รู้สิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดมีสอ ง, งอันอันหนึ่งเผลอไปอันหนึ่งไปเพ่งไว้ เนี่ยตอนนี้เริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมทำไมพอหลวงพ่อพูดขัดคำก็เพ่งเลยเนี่ยรู้ตรงที่ผิดนะแล้วมันถูกเองเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นจะถูกเองเนี่ยใจลอยอยีกแว๊บหนึ่งทราบไหมเนี่ยเริ่มบังคับแล้วเห็นไหมถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งไว้มีเท่านั้นแหละเพราะว่าทางสายกลางนะั้นไม่ค่อยเกิด อ, อ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ก็นีักือืมันเออลที่นก็แกตากล้เอาทีัมแล้วก็ที่ดูมันมาะกเลยากแล้วมันนั่นแหละดีแล้วนะสมตาก็ทําได้นะ แต่ว่าได้วิปัสสนาแล้วยิ่งดีอย่างเราเห็นผู้หญิงจิตเกิดราคะมันพิจารณาสุภะก็ดีเหมือนกันได้ดีแบบสมถะนะเราเห็นใจของเราเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาราคะเริ่มดับไปอะไรเงี้ยตัวนี้มีสติไปรู้ราคะที่ดับไปจิตเกิดความตื่นขึ้ น, นมาตรงนี้เดิมวิปัสสนาเราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นจริงๆนะจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนา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 อันเบอร์สิบเก้าหลงแล้วนะเบอร์หนึ่ง อือลมันมคิดทอืมัแลกามามอืเออมันแยกมขันมันกระจายตัวออกไปดีแล้วแล้ว uh> สังเกตไหมแต่ละขันทำงานของมันถ้าขันแต่ละขันทำงานไม่ก้าวไก่กันนะไม่ค่อยทุกข์เท่าไรมันไม่มีตัวเรา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 จิตซึมมากไปนิดหนึง่งนะรู้สึกไหมทื่อๆเยอะไปคลายออกนิดนึงนะแข็งไปแข็งไป เวลาก็ิือดขึ้นที่เราอจะมนอืมอืมอืมแลดีแล้วดูไปแต่ภาวะอะไรก็ได้นะรู้ไปด้วยดีแล้วล่ะล้วคุณพี่ชาติว่างไงว่างไงนิดเดียวดีกว่าวันก่อนดีกว่าเมื่อาวานฟืนดีแล้วเบอร์เจ็ดเป็นไงเบอร์เจ็ด อะไรนะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละถูกต้องแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะโกรธไปรู้ไปนะต้องโกรธไปก่อนถัดจากนั้นก็รู้ว่าโกรธสเต็ปติดกันอย่างนี้ใช้ได้นะสะเต็ปแบบมีอย่างอื่นมาขั้นนี่ใช้ไม่ได้ที่เมื่อวานโกรธ ว, วันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธนี้ใช้ไม่ได้ ต้องโกรธไปก่อนโกรธแล้วยังไม่ทันจะเลิกดีนะก็รู้สึกขึ้น ม, มาว่าโกรธถ้าโกรธแล้วจนเลิกโกรธแล้วรู้ว่าเมื่อกี้โกรธนี่มีอย่างอื่นมาขั้น่ะมีความไม่โกรธมาขั้นใช้ไม่ได้รู้ตามหลังไปเรื่อยๆให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่รู้เรื่องที่ฟุ้งซ่านเออไม่ต้องรู้เรื่องนะเวลาจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดไม่ต้องรู้เรื่องที่จิตคิดอันนี้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 แต่พอทำไปสักท่าหนึ่งขี้เกียจหรือเบื่อเนี่ยไม่ใช่งานล้เบื่อกับขี้เกียจเนี่ยให้มีสติรู้ทันใจที่ขี้เกียจเนี่ยพอมันหายขี้เกียจปุ๊บตั้งใจทํางานต่อนะผมก็เคยรู้จักผี่หญิงคนนึงเป็นลูกจ้างเขาเป็นพนักงานหัวหน้ากองให้ทํางานใแม่มโหฬดาหัวหน้ากองนะคนคนบาป ถ้าทำนองนี้นะหลวงพ่อจำวดดิ้งไมได้นะคนเราแค่คนใจบาปคนก็จะภาวนาแล้วมาใช้ก็าทำงาน <c oughs> อันนี้ผิดหน้าที่นะเขาจ้างไปทำงานเขไม่ได้จ้างภาวนาเพราะงั้นเวลาทำงานก็จดจ่อกับ ง, งานไม่ใช่เวลาภาวนาแต่ถ้ากิเลสแทรกขึ้นมาอันนี้เป็นเวลาภาวนานะระหว่างทำงานให้กิเลสแทรกเข้ามาปั๊รีบรู้ทันมันนะอย่างนี้ใช้ได้ สนมากเวลาทำงานนะไม่อยากทำงานอยากปฏิบัติพอมาอยู่วัดนะแทนที่จะปฏิบัติก็ไปคิดเรื่องงานนะหาความพอดีไม่ได้เรียกว่าทิ้งปัจจุบันไปล้ำควนไปอดีตล้ำควนไปอนาคตเอาเบอร์สามสิบเจ็ดแล้วไงเห็นห น, น้าตาเหมือนเหมือนกัน รู้ถูกแล้วรู้ไปที่ทำอยู่เนี้ยถูกแล้วแต่ไม่ได้รู้พร้อมกันนะเป็นคนละขณะแต่มันติดกันมันไวมันมันสวิชเร็วปรับที่ทำอยู่ดีแล้วเ่าเบอร์ห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดนะ่ไปดูเบอร์ห้าสิบแปดลืมตัวเองแล้วเดี๋ยวนะบังคับตัวเองแล้วสึกไหมแค่นี้ก็บังคับละนะ เีหัดรู้สภาวะนะเออหลงเยอะธรรมดาหลงทั้งวันเลยอออย่างดีนะมาใสตอนหน้าหลวงพ่อเผื่อหลวงพ่อจะได้ชมบางคนดีมาตลอดเลยนะพอมาเข้าใกล้หลวงพ่อแล้วเกรงอย่างคุณเป็นสีเนี่ยเข้าใกล้แล้วเกรงดูยังไงก็ไม่ถูกสักทีนะเคลมนะ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 ถูกต้องหลงไปทางหูทางตานะ้เออแต่ไปหาดรู้จักหลงทางใจนะ <c oughs> แล้วจริงๆเราหลงทางใจมากที่สุดเลยพอหลงไปทางหูทางตากระเด็นหนึ่งก็ต่อได้หลงทางใจเนี่ยหลงทางใจแวบแล่ะรู้สึกไหมรายละเอียดนะมันไหว <c oughs> แล้วฝึกหน่อยนะอย่าขี้เกียจนะบางคนไม่รู้จะตายวันไหน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 ก็อย่าอย่าไปเล่นกับโลกมากนะเปลื่อนเปไปเสียเวลาคุณใหญ่เป็นไงคุณใหญ่ข้างหลัง งเกตแม้ตามหลังความคิดนะตามหลังความคิดมาความกลัวห้ารับพรเนานะยะถาวาริวะหาปุราปิริปุเรนตีสาคารังเอวเมวะอโตตินังเกตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังุมหังกิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถา สพิฏิโยวิวัชชนตุสพโรโควินาสตุมาเตภวตวันรายโสุขีติขายุโกภวะอภีวาธนาสีสนิจังุทธาปจายโนจตตาโรธมาวัฏฐีอายุวนโนสุขังภะลังพวัตูสัพพังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนาสดาโสธีพวันตุเต